ตาจารย์นี้ไปเป็นการแสดง คนนึงจะมีลูกลูกกันได้กี่หรอกแต่ 10 เนี่ยไปได้หลายร้อยไปได้หลายพันพระวิปัสสนาได้หลายล้านนะแต่ ส่วนพระวิปัสสีได้ขนาดนั้นพระพุทธเจ้าโคตมะแท้ๆท่านยังบอกเลยโอ้เราเป็นพุทธะที่มาช่วยคนได้จํานวน ได้เป็นหนักจริงๆเพราะฉะนั้นแสนที่จะรู้ความจริงอันนี้ไม่ๆไม่หลงเลยไม่ มันผู้ใดเข้ามาในทิศนี้ทางสมาธิจะสมาธิอย่างนี้ก็เชิญมาอ่ะเห็นให้แจ้งได้จริงเปิดตาเข้ามาเข้า เป็นประโยชน์ต่อโลกได้จริงเข้าใจชีวะเข้าใจโลกหน้าโลกนี้ เห็นรู้อยู่เดี๋ยวนี้ทําให้ดีที่สุดพิจารณาไม่เอียงเอียงขวางๆใคร ก็คือทุกเรื่องปัญญาก็คือความ พระภูมิมีพระภาพประทับอยู่ในปาวาติกะอัมพวันในนารันทคาม ซึ่งจะรู้เกินไปกว่าเพราะภูมิมีพระภาคในทางสัมโพธิญาณมิได้ และสิ่งที่ควรจะตรัสหรือควรจะพูดก็คือสิ่งที่ แม้แต่จะจะมายึดปัญญาก็ไม่ได้นะไม่ได้ยึดก็ยึดเพียงชั่วคราวโดยสมมุติเรายึดเพื่อยึดให้ต้องปล่อย ได้แล้วก็ยังไม่รู้ยังช่องแช่งจบแล้วก็ยังไม่รู้ว่า ทำมันให้มันเจียนลงไปอีกสักอีกนิดเลยเถอะไปเลยอ่าว่าก็เลยต้องมาทําขึ้นมาอีกมัน ตัวสิ่งนี้อย่ามาเป็นตัวเราอีกไม่ต้องประกอบด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้อย่ามาเป็นตัวเราอีกเพราะฉะนั้นหยับ สุขเหล่านี้ตัดไปความหลงเหล่านี้เป็นอิคคหะอาริกะไอ้พวกความหลอกความตอแหลเป็นสมมุติพวกนี้ไม่มีที่เราเราไม่ต้องมีพวกเป็นไม่ต้องชีวิตไม่ต้องเกี่ยวกับ เป็นชีวะอยู่เป็นแต่เพียงเพื่อรับรู้ผัสสะ เกิดไม่รู้ตายไม่รู้จบไม่ใช่เป็นวิญญาณสัตว์อย่าง พูดอะไรนี่มันจะตายหรือมันจะเกิดก็ช่างหัวมันว่าอะไรเราก็มันตายอยู่เดี๋ยวนี้มันเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ทั้ง ปรุงขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันก็เกิดเกิดแล้วมันก็คิดทําไมตายดีก็แล้วกันเมื่อเราทําให้มันเกิดก็ให้มันเกิดดีๆแล้วมันก็ตายลงไปตายเพราะ เมื่อมันก็ตายดีแล้วมาเกิดมาก็มาช่วยโลกไว้โดยดีแล้วก็จบด้วยการตายดีทุกอย่างมันต้องเกิด จิตมันเป็นอย่างนั้นเกิดมาติตัวใด ให้เกิดผลเกิดผลภาวนาหมายความ โดยด้วยสัมมาทิกิสมาวะอ่าสังคโปสมาวาจาจนถึงสมาสมาธิพระอรหันต์อยู่ด้วยสมาธิฐิพระอรหันต์เป็นอะไรพระ ของดีคุณรับไปพระอรหันต์สัมมาสังคโปสร้างความคิด แบบนี้นี่เป็นเรื่องของเอ่อความสูง มียอดองค์เดียวไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดที่จะไปเกินกว่าพระพุทธเจ้าพระ จะใช้ได้มากที่สุดเป็นประโยชน์สูงสุดปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรจึงพูดโดยธรรมอธิฐานอย่างสูงสุดเลยๆพระสกลโคตมะจักไม่ ก็มีอยู่ที่ไหนเพราะมีปฐพีมีรถบัดนี้ไม่มีไม่ๆนี่เป็นปัจจุบันธรรมเพราะๆนี่ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูเถิดสาลิบุตรเธอกล่าวอภิอาสัพพวาจาอันยิ่งนี้เอ่อคือเป่งอย่างองค์อาตอาสัพพวาจาเป็นๆเพราะฉะนั้นวาจา ที่เรียกว่าอาสภิวาจานะอาสภิวาจาเป็นการแกล้วกล้าองค์อาสอาหานหรือหรือ แต่โกณฑัญญะกล่าวอาตพิวาจาเลยองค์อาตเด็ดเดียวเลยเป็นพระพุทธเจ้าแน่ไม่มีอื่นแค่ทีเดียวเด็ด ในทางพระสัมโพธิญาณมิได้มีแล้วนั้นมีศีลอย่างนี้ มีปัญญาอย่างนี้แล้วมีวิหารธรรมอย่างนี้แล้วมีวิมุตติอย่างนี้หรืออภิเจ้าท่านก็เลยอ่าเรียกว่าติงติงพระสารีบุตรว่าอ่าสารีบุตรอาตหารมากนะกล่าวถึงอย่างนี้อ่ะเธอเคยระลึกถึงพระพุทธเจ้าองค์อื่นอีกหรือ โดยเรียกว่าศาสนายิ่งเข้มศีลยิ่ง อ่าก็ก็เลยไปเอ่อตรัสถามพระนั้นหลอกไป ตอบรับผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งจักมีในอนาคตกาลอันเธอกําหนดซึ่งใจด้วยใจแล้วรู้ว่าถ้าผู้มีพระภาคเหล่า ถ้าอย่างนั้นเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์อดีตหรือองค์อนาคตหรือเปล่ามีพระภาคมี แม้เพราะเหตุนี้ดังนี้หรือวิชาอย่างนั้นพระเจ้าอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้แล้วเพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรก็บอกพระดูกะสารีบุตรก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีญาณเพื่อกําหนดรู้ซึ่งใจ ทูลถือเอาส่วนเดียวบัลลุสีหนาดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระ ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระตอบจิตที่ตัวเองคิดผู้เจริญปัจจันตนครของ ก็เธอไปเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นอดีตอนาคตหรือถึงถึงบอกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่จะเถ่าองค์ ยังถ้าที่ท่านถามนี่พอถามให้ตอบออกมาให้โลกไม่งั้นแล้วมันก็อยู่ในจิตรู้แต่กันแต่จิตที่จิตก็ พังก์สบรรลุสิงหนาทหรือว่าบรรลุประสาทิตย์ถูกต้องนั้นออกมาอ่าประสารีบุคกดทูลตอบว่าไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตและ ห้ามคนที่ไม่รู้จักปล่อยคนที่รู้จักให้เข้าไปได้เขาเดินตรวจดูทั้ง อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มีแล้วในอดีตกาลเอเมนิกที่จริงก็ภาษาทุกพระองค์ทรงละ 5 จริงไม่ใช่ไม่รู้ไม่พูดกันถึงปุคคลาธิฐานพูดถึงสมาธิฐานจะเน้นภาษาออกมาเป็นการอธิบายธรรมอธิฐาน กระทำปัญญาให้ทุรพลมีพระไท้ตั้งมั่นดี 4 เจริญ 7 ตามความเป็นจริงตรัสรู้พระแล้วแม้พระผู้เจ 4 ทรงตามความเป็นจริงโพชฌงค์ 7 ตามความเป็นจริงจับ ตามความเป็นจริงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะพระสารีบุตรก็กระจายความออก 4 ทรงเจริญโพชฌงค์ ทำปัญญาให้ยิ่งในๆชั้นเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนแต่ท่านนึก พระขนที่ได้รอปรัสก่อกำพร้อมหอมล้อมดีแล้วแมวอันจะรอดได้ก็ไม่มีที่จะออกไปได้ประตูเหมือแมลของเดียว แข็งแรงมั่นคงไม่มีภัยไม่มีโจรภัยปัญญาญาณว่าเป็นกุศลหรืออกุศลจะปล่อยให้เข้าไปได้โดยรู้ เป็นผู้ระแวดระวังได้อย่างมั่นจริงๆเห็นแล้วก็ว่าแหมพระพุทธเจ้านี่เสียบแหลมระมัดระวังระวัดตะไวยทุกรอบทุกด้านโดยอย่างนี้ออกปานนี้แล้วเนี่ยเรื่องอะไรจะ วิญญาณเป็นตัวยิ่งเป็นตัวมโนเป็นตัวยิ่งเป็นประตูจิตอะไรจิตจิตจิตเป็นประธานจิตเป็นใหญ่มโนปุพพังจิตเป็นที่ จะปล่อยให้เข้าปล่อยให้ออกก็แต่เพียงคนที่รู้จักส่วนอื่นไม่มีทางรอดเข้ามาได้ด้วยๆมันจะมโนแล้วมโนกลั่น เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นปุกเป็นธรรมมาธิฐานอันสูงสุดไม่ต้องเกี่ยวถึงปุกกลาธิฐานว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระแลเท่านี้ ได้ยินว่าพระภูมิมีพระภาคประทับอยู่ในปาวาติกะอัมพวันในบ้านนารันทาแม้นั้นทรง กุกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะกีติกีติกีติไหนๆทั้งกสศีลสมาธิปัญญาปัญญาอย่างนี้ศีลศีลอย่างนี้อย่างนี้ ให้มีผลใหญ่ผลสูงอย่างนี้มีอย่างนี้เสมอไม่สมาธิทําสมาธิและสมาธิต้องปัญญาเพราะปัญญาที่มีผลใหญ่ จิตที่มันมีปัญญาอบรมรอบส่วนมันก็ย่อมหลุดรู้หมดรู้ภวาสวะรู้กามาสวะผู้นั้น แล้วยังมาติดวิชาอยู่มันก็ไม่พ้นอวิชชาตรงนี้ไม่พ้นอวิชชาเพราะ เอามันจริงซะด้วยไอ้ลงติดวิชานี่น่าดูๆเป็นทิฏฐิเป็นมานะอันยิ่งน่ะต้องเข้า พยายามไปที่ไหนๆๆไหนท่านก็อย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาไปย้ําไปที่นั่นที่นี่ย้ําแล้วก็ไปย้ําแล้ว ไปท่านพระอานนท์ทูลรับคำรับประดำรัส อาตมภาพพระองค์ผู้เจริญขอพระภูมิมีพระภาคจงทรงรับเรือนสําหรับพระองค์เถิดจะมีคนถวาย พระธรรมปทักสินกลับไปยังเรือนสําหรับพักครั้นที่ประทับแล้วถวายบังคมยืนอยู่ณที่ควรคนข้างหนึ่งกล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้า ตั้งหม้อน้ำไว้ตามประที่ไว้แล้วขอในบัดนี้เถิดอ่าจัดที่จะอะไรก็มาทูลนิมนต์ครั้นครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงกลางบาตร ฝ่ายภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วเข้าไปยังเรือนสําหรับพักนั่ง เอ่อพวกประจ่าก็ดีพระสงฆ์สาวก็ดีหรือแม้แต่หมู่ชนทั้งหลายแหละล้วนแล้วแต่ถือเอาความเสมอกันโดยไม่สวมรองเท้าอยู่ไม่แม้ สูตรใดที่กล่าวถึงว่าสมัยนั้นมีรองเท้าหรือเปล่าก็มีบอกกันคือถอดตัวให้ อย่างนี้เรียกว่าเสียสละทําความเสมอกันด้วยศีลด้วยหลักเกณฑ์ว่าการทํา ภาพประการเป็นฉะไหนอ่าตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เป็น ย่อมเสื่อมหน่วยโภคะคือความเจริญโภคะนี่แปลว่าความเจริญโภตัวเนี้ยแปลว่าความเจริญ ถ้าเกิดเองเป็นเองก็เรียกว่าภูภูหรือพักบวกอุกภูติภูตะสยัมภูเนี่ยภูตัวเนี้ยแปลว่าเกิดหรือโพ อันนี้เป็นโทษข้อหนึ่งแห่งศีลวิบัติของ ลักขโมยเค้าไปที่ได้อยากได้ของเค้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต โดยที่เรียกว่าเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของมันก็ยังไม่เท่าไหร่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่มีเจ้าของของคนอื่นเค้าก็เดี๋ยวก็ยุ่งอีกไปฆ่าคนยุ่งชัดเห็นชัดว่าจะต้องทําลายพวกครอบศพด้วยทําให้คนอื่นเค้าตายโดยประมาทหรือไปทําให้คนอื่นเค้า ก็ก็ได้สัตว์มาสิก็คนไหนจะกินสัตว์ก็ต้องได้สัตว์มาแต่คนไหนไม่เกี่ยวว่าสัตว์มาเป็นของกินข้อ 1 เกียติศัพท์อัน กิฏิสัพอันชั่วเรียกว่ากระฉ่อนไปเรียกว่าระบือไปในความคือคฤหติยักษ์บริษัทพราหมณ์หรือสมณะบริษัทย่อมครั้น เข้าไปในบริษัทใดเข้าไปในหมู่ชนใดตั้งแต่หมู่ชนสมณพราหมณ์ย่อมเก้อเขิน 4 แห่งศีล 4 ผู้ใด ทำกาละคือเวลาตายย่อมตายอย่างคนโมหะคนหลงหายเพราะ ตั้งเป่าไว้ก็ไม่หยุดจะทําให้สงบก็สงบเพราะอํานาจของศีลมันไม่ช่วยเพราะอยู่ศีล กระทำกาละด้วยความไม่หลงอีกข้อ 1 คนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ลงนิรยะภูมิทุกข์ทรมานเพราะโง่เขลาเบาปัญญาเพราะเป็นเปรตอยากได้เราร้อนยึดติดไม่ ของคนมีศีล 5 ประการเหล่านี้ 5 ประการเป็นไฉนที่นี่กล่าวโทษแล้วก็กล่าวคุณดู เพราะว่าศีลนั้นย่อมทําให้เราละได้สิ่ง อ่าเพราะว่าเราเองเราตัดในสิ่งที่ๆถ้าเราจะแลกเปลี่ยนอยู่ซื้อขายอยู่ทําอะไร ด้วยความไม่ประมาทอีกข้อนึงเกียรติศัพท์อันงามของคนมีศีลถึงพร้อมแล้วได้ศีลย่อมกระจายไปไปว่าเป็นผู้มีศีลอีกข้อนึงคนมีศีลถึงพร้อมแล้วหรือ อีกข้อหนึ่งอีกข้อนึงคนมีศีล 4 แห่งศีลสมบัติของคนที่มีศีลอ่ะก็ขอๆว่าตาย <ๆ. S 1> ทำกาละก็หมายความว่าผู้ที่ก่อกาละให้มีอย่างที่เหลือคืออธิบายที่อายุอ่าที่อธิบายให้ฟัง ผู้นั้นจึงทําด้วยความไม่โมหะเลยแม้แต่ทําให้เกิดก็ทําโดยไม่หลงไม่เลอะเทอะไม่โมหะไม่อวิชชาทําที่ทํากาละ<ม> 5 เพราะข้อ นี่หมายความว่าตายแท้ทํากาละอันนั้นยังไม่ตายแท้อ่าอธิบายทํากาละ <c oughs> อันนี้ท่านเน้นเอาที่ตรงตายเพราะกลายแต่ตายรูปขันธ์ จะอธิบายอายุผู้ที่มีอายุทิมันตั้งอยู่โดยมีเจตนามีเป้าหมายมีมโนสังเจตนา ทำด้วยไม่มีโมหะไม่มีอวิชชาสร้างกาละหรือว่าสร้างชีวิตหรือว่าสร้างตัวตนอะไรออกไปเพื่อโลกก็เป็นของดีแม้แต่อัน ข้อสุดท้ายอีกข้อนึงคนมีศีลที่ 5 มีศีลสมบัติของคนที่ของคน ผู้ไม่บรรลุสูงสุดก็เป็นสวรรค์แต่ระดับของผู้นั้นผู้นั้นที่ทําได้อย่างแท้จริงอ่าเค้า กรอกจบ 80 นะข้อ 81 ไว้ข้าง พอนี้ปรินิพพานสูตรเนี่ยมี น่ะซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์ในการ เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอยู่เสมอทําให้มากอยู่เสมอสิ่งที่ ทำเจริญขึ้นอย่างใดอย่างใดอานิสงส์ดีขึ้นเจริญขึ้นอย่างใดๆเราก็ได้ว่าไปแล้วอ่าทีนี้ก็ต่อ ดูกระคฤหบดีทั้งหลายราตรีสว่างแล้วพวกท่าน เมื่ออุปาศกชาวปาตลิคามลีบไปแล้วไม่สอนหรือๆนะพระสอนญาติเนี่ย สอนกันตั้งแต่นี้พระพุทธเจ้าไปตั้งแต่ครั้งนั้นเวลารุ่งเช้าพระพุทธเจ้าทรงถือบาตรๆอ่าสอนไป ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าดูกะระคระหะบดีทั้งหลายราตรีสว่าง 24 ชั่วโมงสามไป 24 รอบก็คงจะฉันข้าวก็จะ เอาล่ะขนาดนี้คงพอแล้วนะ 2 ก็จนสว่างแล้วแล้วพระฟัง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแต่ คนที่ติดมากหรือว่าคนที่ยังรุ่นเริงในธรรมอยู่มากก็ฟังไปได้อีกเท่าไหร่เท่าคน 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงเค้า 5 ชั่วโมงเค้าก็ ตีนี่พระพุทธเจ้ากับผมจะเอาได้พระพุทธเจ้าท่านพูดยังไงท่านก็พูดได้กี่ชั่วโมงท่านก็ๆแล้วท่านก็พูดให้ขึ้นสูง บางหนุบดูเทียบเคียงได้ว่าผมกับพระบางองค์พูดธรรมะ 30 นาทีนี่ ฟังธรรมแล้วก็เกิดรถเกิดชาติเกิดอะไรต่ออะไรเข้าไปมากๆแล้วด้วยมันก็ยิ่ง เทียบเคียงหรือว่าจะพยายามมามาคิดอ่านดูก็จะเข้าใจได้เห็นได้แล้วก็ ความทำได้น้อยนึงก็ต้องลุกนี้ก็ไปปลายอย่างอื่นไปเสพอย่างอื่น 2 วัน 2 คืนปวดเมื่อยร่างกายขนาดไหนเค้าก็ทนเพราะจิตมันพาให้ บิดแล้วบิดอีกนะร่างกายน่ะปวดอ่ะมันก็เล่นอยู่นั่นแล้วนั่งทั้งนั่งทั้งเปลี่ยนอริยบททั้งอะไรต่ออะไรสานพัสสารเพปวดแล้วก็ เพราะจิตมันติดจิตมันยึดจิตมันหนาแน่นจิตมันหลงมันมัวเมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทีนี้เมื่อเราเองเรามาฟังในธรรมเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องสงบบางทีกายอาจจะ เรียงไว้ Gesund inspector amie จิ้นจิตซงบเพราะจิตซงบเป็นต้น ทุกอย่างมันก็เลยizes ๆซงบ herum POWI 3ๆลงไปถูกยอม Rights ๆ ลงมาเอоИ ดู๊ rough assume꺼 แล้วtest 겠죠uggling post ลุก聊 Sehr Qué早 news izin gyparet esturnoaозможноต้องส epidemipos o c be kècet แลلم rebels care trucs eyes홍p ชิต i know when jiu flame crash is amps key Ihr? but the fear is a ge de fat demonurg cortis alias. Actually, they don't fly黂 on the issue ofiolyn water. Calendar will be over so much of the cross from next looking a lot of you need to get to u investing pir anthropology.해라 Lam ถ้ายิ่งนานเข้ามากเข้ามากเข้าก็ดึงกันไปสู่บ่อยๆนะบ่อยๆเลยอธิบายกันทั้งอะไรต่อบ่อยๆแต่ แต่ยังไม่มีมีความเก่งกล้ายัง อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่หวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชอำมาตย์ผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็น้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในส่วนนั้นอ่าเทวดาศักดิ์ใหญ่เทวดาชั้นกลางหวงแหนที่ในส่วนใด จิตของพระราชาและราชมหาอมาตย์ชั้น ภาวปะกลาอธิษฐานว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่นามีตาทิพย์มองเห็นเทวดาลอยฟ่อง พระราชานั้นก็จะๆนะถ้าเราไปคิดว่าพระพุทธเจ้านี่มีตาทิพย์เห็นเทวดาลอยฟ่องมาขอให้พระราชาเพราะว่า ก็แสดงว่าพระราชานี่ก็ต้องตาทิพย์ด้วยเพน ราชาไม่เห็นเทวดาราชานั้นถูกเทวดาชี้เทวดาอยู่ไหน มีวิญญาณจิตวิญญาณอันดีที่เห็นเหมาะเราก็มากขึ้นแล้วเนาะถิ่นที่เพราะฉะนั้นต้องขยับขยายให้เป็นที่ ความคิดที่ยังเห็นว่าดีเหมือนกันแต่ยังเป็นไปเพื่อความโลภมากกว่าเทวดาสักใหญ่ๆ แต่ก็ดีเหมือนกันได้สิ่งนี้มาเป็นสิ่งนี้ทำสิ่งดีดีๆดีเหมือนกันอ่ะคิดว่านี่สิมีที่เยอะๆๆๆเราก็จะได้ก่อสร้างเยอะๆอ่าบาง จะได้ก่อสร้างจะได้ทำไร่ทำนาจะได้ปลูกสวนๆนานาเป็นความคิดที่ดีแฟนเป็นด้วย